เจริญพรยันโยมชาวทีวันทีทุกทางร้อยด้านไล่นั่งสบายัำสมาธิหลับตาภาวนาดูลำไม้ใจเข้าออกเราปรับตามทำงานกันมาเยอะแล้วอยากหาอะไรที่ช่วยทางใจหาธรรมะ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 วันนี้ก็พบอแล้วนี้วันก่อนก็พ่อเดิ ม, มาเป็นเด็กก็พก็เจอศาสนาอยู่เจอพระอยู่ลองคิดให้ละกอียให้ลึกซึ่งไปว่าเปรียบเทียบกับคนในโลกนี้มีคนนับถือพุทธศาสนาสักกี่คนในโลกนี้ว่าจะจึงเปรียบตรงนี้ว่า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 แต่จะรู้เรื่องอะไรภาพสูบเปเป็นโ น, น, นเป็นอย่างนั้นไม่รู้เรื่องเลยถ้าท่ามาเปลี่ยนตรงนี้จึงบอกนะว่าผู้ที่มาพบพุทธศาสนาแล้วช่วงดีแล้วแต่อีกคนอีกนับไม่ท่วนนักไปได้พบยากมากเลยพรมองไม่เห็นคุณงามความดีจึงไม่เจอสิ่งเหล่านี้นอกจากนั้นอีกท่านบอกล่าไว้ว่า ได้เกิดมาเป็นคนหรือเป็น ม, มนุษย์กระแสญาติากิขวัญจาท่านสอนพ่อแม่ขวัญญหน้ากล่าวไว้เกิดมาเป็นมนุษย์แสนยา ก, กเราพยายามกระจอี ก, กอเป็นญาติตนไหนไปดูโรงพยาบาลแต่วันมันเกิด น, นับเป็นนาทีทับเป็นวินาทีเกิดไปดูกี่คนก็เกิดมาเป็นคนก็เกิดมาเป็นมารดยเกิดมาแค่ทักไปได้เลย หนึ่งโรงพาบาแล้วในประเทศกี่ลงพาบาเกิดม า, านาทีนปกี่โคนชั่วโม ง, งกี่คนอย่าเราคิดตรงนี้เพราะเราคิดใกล้เราไ็ได้คิดละเอียเหมือันครูบาอาจารย์ท่านแม่นสอนไว้ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบไว้ว่าที่เกิดมาเป็นคนมาเป็นมนุษย์ที่นั่งภาวนาอยู่ตรงนี้หรืออยู่ที่นี่ก็ตา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 สัตว์ก็มีธาตุั้งสนะมีธาตุดินมีธาตุน้ำมีธาตุไฟมีธาตุลมคนเราเมื่อรับประทนกันก็มีธาตุทั้งสีรก็ออกไปชุวยรางกลขึ้นมาธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมมีขันธ์ห้าเหมือนกันสัตว์ะฉันก็มีนะขันธ์ห้ามีรูปที่สี่ประบอกเห็นจากเท่าสัมผัสเลยเห็นกระโดง มีเวตนาความรู้สึกสัตว์ก็มีนะตีมันมันก็ร้องเลยแล้วความเจยบความปวดไปนรื่อยๆขึ้นสัญญาความจำนีสังขารนึกคิดคุงแต่งมีวิญญาณความรู้มีนีสิ่งที่ถือว่กา ร, ระละวางดีละชานคือชั้นต่ำกับคนสูงขึ้นมาหรือมนุษย์สูงขึ้ไนไป แต่คนหรือมนุษย์ได้เปรียบสัตว์เดรัจฉานตรงที่มีสติมากกว่ามีปัญญามากกว่ามีจิตใจที่แยกแยะนึกคิดลักหยกอ่งนได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานชั้นต่ำจิตใจเขาคิดได้น้อยแยกแยะได้น้อย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 คิดชอบชั่วดีมีประโยชน์หรื อ, อไรประโยชน์สูงกว่าน้ำเป็นมนุษย์คนกับมนุษย์ภ า, าษาคลานกันแล้วความหมายที่ละเอียดไปมากมันก็ต่างกันดีระหว่างคนกับมนุษย์มนุษย์มโนผู้มีจิตใจสูงจิตใจดีเขาเป็นมนดษถ้าเรียบอย่างง่ายๆคนยคนรักษาแค่สินทา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 เพราะเรายังไม่สามารถกำจัดหรือตัดหรือลักเลลออกไปบั็เลยนตอนก้มอยู่ที่มีอะไรไปกระทบไปเคี่ยวเลกลตกรก็ฟุ้งขึ้นมาน้ำที่ใสก็เป็นน้ำที่คุนใช้บริโภคกุมภคก็ไม่ได้เปรียบเตียงแบบนี้ แต่จิตใจของม น, นุษย์มีเครื่องกองกองนะ้ำแยกแยะดคัดสันแต่เครื่องกองยังไม่ดีอคอมิเลสรักเอียร์อันน่ากลัวมันก็ยังลอยอยู่ไตตอปตกตะกอดดนอย่าเดิมเพราะเครื่องกองไม่ดีแต่ี่เยกทัยกยก นพื้นฐานโลภะโทสะโมหะมีเครื่องกรองคับสันแยกออกไปจึงได้กิเลสลเหตุก็ตกเหมือนเดิมคือจิตของมนุษย์แต่จิตใจของพระอริยหรือคู่ประสเิศแล้วท่านมีเครื่องกรองที่ดีแล้ว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 แต่เครื่องกรองในหลักธรรมคือสติคือปัญญายคือสมาธิที่นําไปกรองครับสรรแยกแยะออกเมื่อท่านทำได้สามารถกรองกิเลสที่มันยากออกทิ้งได้สามารถกรองกิเลสที่มันละเกียบออกทิ้งได้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 ปุตตุชนเรานี่แหละทรามที่รักษาสิ่งห้านี่ยังสามารถปฏิบัติธรรมมาอย่างเพ่งครับต้องใจว่าเพ่งครับเลยนะเอาจริงอาจริงนะก็ยังสามารถเข้าถึงมัชถึงขนถึงนิพพานไนดะ้ยังสามารถเข้าสู่ภูมิพระอริยไดนะ้คำว่าพระอริยเกาตัวผู้ประเสริฐไม่ใช่เฉพาะพระอย่างเดียวนะ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 ปัิบัติอยู่ตรงนี้นั่นสมาธิภาวนารนึบตาอยู่ตรงนี้เราก็ยังได้แค่นี้อยู่แล้วพอเป็นเกิดความทอ้อถอยบอกว่าทำแล้วเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้แน่เคยหยุดนั้นผมไม่ออั้นผมไม่เอามมแล้วมันจะได้อะไรข้างๆนํากังทํทำปฏิบัติในเบื้องใ้แค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราทำเนี่ยอย่าไปโทษ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 สู้ไม่ได้ถอยวิริยะความเพียงขยันทาน้อยบอกว่าทำไม่ได้แล้วถอยสุดท้ายันก็นเลยไม่ได้อะไรเราจงตั้งสติของเราขึ้นมาหม่ว่าแม้ว่าวันนี้เราทําได้เพียงเท่านี้แต่วันหน้าเราต้องทำเพิ่มทาต่อเพื่ออยากยกจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นยกจิตใจที่มันตาำ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 แต่คำต่อเนื่องกันไปยกให้สูงขึ้นอีกเข้าสู่อริยรบุคคลละกิเลนละสัโย์อันละเอียดได้ตามลำดับอย่างที่บอกว่าคำพุทธการผู้ปฏิบัติปตีปฏิบัติชอบนั่งดูลงองายใจเข้าออกจนสามัญบรรลุอัปโศนาบรรพุทธการเช่นนางวิสาขาเป็นต้น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 ว่ารูปร่างกายไม่ใช่ของของเราแต่คนตั่วไปมองเห็นหมดเลยรูปร่างกายก็เป็นของฉันเนี่ยรูปร่างกายก็เป็นของผมแสดงว่ายังไม่เข้าสู่กระแสคือไม่เข้าสู่กระแสวิญญาณคือยังไม่เข้าสูเ่เขตข่ายของพระโส ด, ดาบันเลยแต่พระโสดาบันท่านมองเห็นว่ารูปร่างกายไม่ใช่ของของเรา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 พระโสดาบันผู้เป็นพระอริยบุคคลชั้นที่หนึ่งไม่รู่ไม่คำนะจับแม่นเลยเอาจริงเอาจังในสินที่มีรักษาสินเพื่อความบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อการปฏิบัติให้เกิดสมาธิภาวนามาได้ต้องการรักษาสินเพื่อเป็นผู้วีแสเอาจริงเอาจัง ยอมสลักชี้เพื่อรักษาสิลของเราให้บริสุทธิ์เพราะท่านกล่าวไว้อยู่แล้วว่าสิ่สมาธิปัญญามาด้วยกันทั้งหมดเลยสิ่ดีเท่าไหร่บริสุทธิ์เท่าไหร่สมาธิเกิดแล้วเนทะ่านั้นสมาธิดีเท่าไหร่สามาธิตั้งมันม่นเท่าไหร่ปัญญาเกิดดีเท่านั้นนะเมื่อพระโสดาบันทัน้ง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 มรรคาติดในใากำจัดปฏิคับความกระทบกระแากใจให้เบาบางลงกาจัดยังไม่ละเอียดพอได้สองวัแต่สามารถรกำจัดหราาือลักามรรคติดใจในความตามความอยากความเป็นอยากเป็นอยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากมี รุนเป็นคำทิ้เลยทำให้เบาบางได้ปฏิคับความกระทบกระทันใจใครมาด่าว่าใครมาโว้มาทำอะไฉันทำไมไม่พอใจเพราะสิ่งที่มากระทบกรดเปรียดเทียบแทนชิมชังอาฆาตยาบาทเพราะสิ่งที่มากระทบใจทางใจยอมรับไม่ได้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 ชาติที่พระเจ้าเสวยชาติเป็นมนุษย์ได้ยินว่าพระเจ้าองค์หนึ่งแสดงธรรมเทศิอยู่อีกเมื่อเป็นไก่แสนไก่ไม่ยอดห อ, อน่ะไปเป็นธรรเทศิเดินไปเดินไม่ไหวเท้าแตกคขามไปคขามไม่ได้มือแตกหัวเข่าแตกนอนปลิ้งไปทำได้ขนาดไหนวิดียะอยู่ในนั้นขำเต็มอยู่ในนั้น อดทนต่อสู้เพราะอยากได้ความดีเ <c oughs> พา อ, อยากได้ความดีเพราอยากได้สัจธรรมจึงไปจึงบาบันจึงภาพเพียงจึงอดทนเหมือนดังบทประลิยว่าต้งองต้องต้องได้ว่าขันตีปรมัตตโพติติขาความอดทนเป็นตบะเครื่องแผดเผาความอดทนเนะ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 ว่าไม่เห็นแต่เป็นติดโอนั่งสมาธิไปแล้วใจมันกังวลปรากฏนั่นก็บรรยายเห็นติดแล้วชอบพอใจไปปูวัตถุบาญยานโอเคงขนาดนี้แล้วที่ไหนได้บุรุษยานยังไม่ได้อะไรทุกอย่างเลยติดในอัครูปรักข์ก็ไปไม่ได้มานะ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 กิเลสไม่ได้แทนจะไปเพิ่ม ก, กิเลสด้วยซ้ำไปสมสถะเกิดอินทธิฤทธิทำกุศลการดีเยอเกิดอิทธิฤ ท, ทธิธแล้วขนฟองใส่จมูกก้าวอวกลับกลายเป็นตัวทํำร้ายสถิตกลับกลายเป็นตัวกิเลสเพิ่มไปสถิตพระโตองหรือครูาอาจารย์สอนว่าเมื่อเข้าถึงสมาถงแล้วให้ยกเข้าสูงปรับธนาเลื่อ จเจริญปัญญาให้สูงขึ้นไปรับไปตัดเกล็ดให้ได้มากขึ้นเมื่อจเจริญวิปัสนาปัญญาเกิดมากขึ้นแล้วเราก็อยากปฏิบัติมากขึ้นอยากทำสมาธิมากขึ้นเคยกลายเป็นปัญญาไปอบอรมสมาธิเราทำได้ดังนี้แลจิจใจของเราที่ว่าตามกิจใจองคน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 เปรียบเทียบไว้ย่างี้ใจมันตเปียเหมือนกับผีเหมือนอกิจของสัตว์เัจนอย่างที่ว่าเลยเลัดแย้ง จ, จิตใจของมนุษย์ก็ขึ้นจิตใจที่ดีขึ้นจิตใจต่ำเหมีจิตใจดีเหมือนมนุษย์ขึ้นจิตใจที่ยดเหมือนสมณะ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 อรหรันเราทําได้ตัวนี้แล้วโชคสภาพจิตต่ำให้สูง ข, ขึ้นตามลำดับจิตใจต่ำเปรียบเหมือนจำศีจิตใจดีเปรียบเหมือนมนุษย์จิตใจที่หยดุโกโกดโลภโกรธหลงเป็นเหมือนสมณาทิฏฐิใจละเปรียบเหมือนดังอรหรันแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานตามลำดับ เพราะนันทําเมื่อทำอยู่ตรงนี้สร้างอยู่ตรงปี้ปฏิบัติอยู่ตรงนี้แล้วนั่งดูลับหายใจของเราเข้าออกอยู่ตรงนี้แล้วยังมีโอกาสของท่านอยู่นะท่านอย่าเป็นเล็กน้อยเล่อต่ำใจว่าทำมานานแล้วผลหรือสิ่งที่ได้รับยังไม่เกิอดอะไรพระต้าคตทำหกปีกว่าที่พระองค์จะรู้และก่อนที่จะถึงหกปีนะั้นหารู้ไหมว่านับเป็นอา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 ผูอชมดูเราหายใจเข้าขออกแบบแต้ม ล, ลึกรู้อยู่ตลอดแล้วเานาะสิ่งที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่มีความหมายาลองนึกรู้ดูจุดนี้แหละหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้และการหายใจเข้าขออกที่ก็ให้หายใจเข้ายาวๆแล้วก็ขับขออกมายาวๆตามรู้อยู่ทุกขณะจนเห็นตามสัตว์จะทำคอนเป็นจริงว่า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 คุณรชชพระสรคผู้ปติบัติดีปฏิบัติชอบภาคเรียคคณขอจงดลบันดาลให้ท่านทัง้งหลายจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญตลอดการลักนานเธอ